กราบกราบนอบน้อมต่อหลวงพ่อเทียนนะครับกราบน้อมน้อมกับหลวงพ่อกำเขียนนะครับก็กราบครูบาอาจารย์ทั้งหมดขอขาดจากพระจันทร์สุรินนะครับขอขาดจากเพื่อนสาธมิกและก็เจริญพรพวกเราไม่ชีและก็พวกเราอุบาสกอุบาสิกา ไปอินเดียมาก็ไปมีพระจาร์โน้นํำไปไปอินเดียก็เป็นที่ท ER ี่เร anyway> ียกว่าไม่เหมือนใครในโลกเนาะก็เหมือนกับพวกเราไม่มีใครเหมือนกันสักคนหนึ่งก็ ฉากสุดท้ายของอินเดียก่อนที่จะกลับประเทศไทยก็เป็นฉากที <c oughs> waking, ouais. ่ตื่นเต้นมากเพราะได้ไปเจอนรกเจอสวรรค์ก็แม่น้ำคงคาเนาะก็เป็นแม่น้ำที่เขาก็แบ่งฝั่งเอาไว้มาฝั่งหนึ่งเป็นฝั่งนรกก็ดูไปจริงๆก็เออตรงนั้นก็เขาเรียกว่า ถ้าเทียบกับอีกฝั่งหนึ่งก็ถือว่ามีคนน้อยมากๆนะเหมือนกับคือมันเป็นฝั่งที่ไม่มีคนอยู่อีกฝั่งหนึ่งโอยคนนน่นขนาดก็เรียกว่าเหมือนกับว่าก็เหมือนกับก็อยู่คนก็อยากอยู่สวรรค์กันเนาะหไมฮะไม่อยากอยู่นรกกันอย่างเงี้ยแต่ปรากฏว่าพอเราขึ้นจากฝั่งมาเป็นฝั่งสวรรค์ โอ้ยตรงนั้นก็เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไอ้นี่เขาเรียกว่าสวรรค์หรือนรกเพราะว่าคนมันแน่นไปหมดนะฮ <c> ะ <ười> คนคนเนืองแน่นแล้วเรียกว่าแทบจะหาที่ยืนไม่ได้แล้วก็คนก็ไหลไปกันตามถนนหนทางก็มีแพะบ้างมีวัวบ้างมีแรงตาน า, นานาเหล่าที่บางคนนั้นทําันนั้นคนนี้ทําอันนี้โอ้เขาก็เรียกว่าเขา สวรรค์มันวุ่นวายแบบนี้หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันก็ก <c oughs> <s illy> ็มันก็เป็นภาพนะแต่ว่าอันหนึ่งก็คือเหมือนกับเราก็เห็นเนาะมันเหมือนกับว่าัวมันอยากจะเดินไปตรงไหนมันก็เดินแพะมันอยากจะเดินไปตรงไหนมันก็เดินคนเราต่างคนก็อยากทําอะไรก็อยากทํากันก็ภาพพที่วุ่นวายมันก็เป็นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะเพราะว่าเนื่องจากว่าเหมือนกับ ต่างคนก็ต่างทําตามใจอยากคนกษัตริย์ก็มันเหมือนกันตรงนี้นั่นนั้นคือตรงนั้นก็ปรากฏว่าสวรรค์มันก็เลยกลายเป็นมันก็คงไม้เป็นสวนรรค์จริงๆเพราะว่าตรงนั้นก็เป็นความวุ่นวายนะเป็นความวุ่นวายเพราะมาเนื่องจากมันเหมือนกับว่าใจใจที่อยากก็นํานํานําร่างกายเนาะก็เรียกว่าไป สเปสะปะไปตามนั้นอะไรเงี้ยตรงนั้นก็เป็นภาพที่เห็นเนาะแต่ว่านั่นคือเป็นสิ่งที่พอเราเห็นเราก็มีข้อสรุปเราก็มีข้อสรุปจากการที่เราเหมือนกับว่าเราอยู่ในทางพุทธเราก็มีคําสอนของพุทธเจ้าเป็นเหมือนกับเป็นหลักให้เราได้มองเห็นให้เราได้มองเห็นตัวตัวเองแล้วก็ให้เราได้มองเห็นสิ่งรอบข้าง ให้มองใให้เราได้มองเห็นใจของตัวเราเองตรงเนี้ยก็เป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าพอเหมือนกับว่าเราเป็นชาวพุทธเราได้เอาคำสอนของพระเจ้าเนี่ยมาปฏิบัติตามมันก็ทำให้เราก็เหมือนกับว่าเราก็หลุดได้หลุดออกมาจากตรงความวุ่นวายตรงนั้นไม่หงุดหงิดไม่ลำคันใจไม่เออออะว่าเอ๊ะทาไม คนนั้นทําอย่างนั้นทํำไมคนนี้ทําอย่างนี้ทําไมวัวมันถึงได้มาเดินตรงนี้ทําไมแพะมันถึงได้มาขี่ตรงนี้อะไรต่างๆนานาเหล่านี้นะอย่างนี้มันก็มันก็เราก็ปลอดก็เรียกว่าปลอดภัยปลอดภัยไหมพอเราจะเดินเบียดเสียดกันก็มาเดินเบียดเสียดนี่ก็ต้องเรียกว่าเบียดเบียดกันจริงๆนะถามแม่ชีเมี้ยวฉือบอกว่าเออเมืองจีนเนี่ยคนเป็นพันล้านเนี่ยเท่าๆกับอินเดียเนี่ยเหมือนกับ พื้นที่ก็ไม่ค่อยได้ต่างกันมากแต่ว่าทําไมอินเดียกับเมืองจีนนี่มันต่างกันไหมนะอย่ามิชิไม่ฉื่วก็บอกว่าต่างนะเพราะว่าบอกว่าที่เมืองจีนไม่ได้มีความบุญมายอย่างนี้คนเยอะก็จริงอย่างนั้นตรงเนี้ยก็เป็นสิ่งที่เหมือนกับว่าเราไปเราไปอินเดียเราก็ได้ไปเห็นก็เรียกว่า ได้ไปดูได้ไปดูก็เรียกว่าสังเวชนีสถานเนาะเป็นหลักแล้วก็ได้ไปเห็นพอเราไปดูแล้วก็ไปเห็นเห็นความพยายามเนาะของคนอย่างที่ไปคราวนี้ก็ไปดูพระราชวังกบิลพัฒน์ที่เป็นที่ที่เป็นที่เกิดที่ประสูตรเนาะของเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะตรงนั้นก็เป็น ก็ไม่ใช่ว่าเป็นที่ประสูติเดียวว่าที่ประสูติก็เป็นลุมพินีศูนย์ลุมพินีเป็นกลางป่านะแต่ว่าก็เป็นวังที่พระพุทธเจ้าก็ถือว่าอยู่ที่นั่นตั้งแต่เล็กนะจนกระทั่งออกบวชก็เขาก็กําลังก็เรียกว่ากําลังขุดค้นกันก็จากกองดินกองดินมีต้นไม้ลกๆนะเขาก็ขุดแบบว่า ลงไปประมาณสักสองเมตรกว่าก็ได้เจอก็เรียกว่าเจอร่องรอยไ ด, ได้เจอร่องรอยของสิ่งก่อสร้างที่เรียกว่าพระราชวังเนาะตรงนั้นก็เพิ่งขุดแต่งไปไม่ได้ไม่มากแต่พระรงนั้นก็คือมันก็เป็นสิ่งที่เหมือนกับว่าส่วนที่เป็นพระราชวังก็เราก็ได้เห็น ได้เห็นล่องลอยแล้วก็ได้เห็นผู้คนที่เหมือนกับพยายามที่จะแปลว่านำเอาประวัติศาสตร์ตั้งแต่สองพกว่าปีออกมาให้เราได้เห็นแล้วก็ที่ตรงนั้นก็มันจะเป็นส่วนหนึ่งของประเทศนนเนปาลเนาะใกล้ๆกันก็มีเขาเรียกว่ามีสั ญ, ญลักษณ์อยู่อันหนึ่งตั้งแต่หลังสมัยพุทธกาล ประมาณสัก200ร้อยกปีพระเจ้าอโศม ก, ก็ได้ไปปักก็เรียกว่าไปปักมุดหรือปักหมายเอาไว้เป็นเสาพระเจ้าโสมพระเจ้าโศก็พระเจ้าโส ก, ก, ก, ก็ไปปักหลักไปปักมุดนะที่มาเป็นที่หมายที่เกี่ยวข้องกับพุทธเจ้าทั้งหลายแหล่นี่ยเอาไว้ประมาณสักเห็นก็บอกว่าประมาณสัก8ปดหม่นี่พันแห่งนะ <c oughs> เยอะมากๆากนะ ที่พระเจ้าไปแสดงธรรมบ้างที่พระเจ้าไปทำอนุุนทำอันนี้แรงต่านาๆเหล่านี้เนี่ยปรากฏว่าตอนนี้เขาเรียกว่าฝ่ายโบ ร, ราณคดีของอินเดียก็ก็เหมือนกับพยายามไปเสาะหาว่าตรงไหนตรงไหนที่แบบว่าทางเขาเรียกว่าพระพระสงฆ์ของเมืองจีนเนาะที่ได้ไปที่ได้ไปอินเดียเนี่ยก็ได้ไป เรียกว่าไปแล้วก็บันทึกนะบันทึกเป็นข้อความเมาไว้ก็เหมือนกับตอนนี้เนี่ยสถานที่ต่างๆก็ตามจากบันทึกของพราสงฆ์จีนที่ที่ไปตั้งแต่ประมาณสัก700ปีพันปีก่อนประมาณนี้เนาะอย่างนั้นเวลาก็จําไม่ได้นะฮะไม่จําไม่ได้แน่นอนแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดก็ประมาณประมาณนี้ละก็คือมีรูปนึงก็ไปตั้งแต่ที่เหมือนกับว่า สถานที่ตรงนั้นเนี่ยยังไม่ถูกพวกชาวอิสลามเนี่ยทำลายจะว่าชาวอิสลามก็ไม่ถูกนะ ต, ต้องบอกว่าเป็นทหารเป็นทหารที่ทำตามคาสั่งของกษัตริย์อิสลามในสมัยนั้นทำลายแล้วก็อีกส่วนหนึ่งอีกพระสงฆ์อีกรูปหนึ่งก็ไปตามหลังไปตามหลังหลังจากที่เหมือนกับถูกทำลายแล้วก็ไปตามร่องลอย ฝ่ายโบราณ ก, ก็ดูเหมือนว่าจะใช้ตัวนี้นะตัวบันทึกข อ, ของพระสงค์จีนทั้งสองรูปนี้เป็ น, ปนตัวเขาเรียกว่าเป็นลายแทงที่ตามไปปรากฏว่าตามไปก็เจอนั่นเจอนี้ก็ได้เห็นก็เรียกว่าความพยายามของคนที่เหมือนกับพยายามที่จะทำสิ่งต่าง น, นานาเนาะในฝ่ายของทางพระเจ้าอาโศกก็ ได้เหมือนกับติดตามล่องรอยไปแล้วก็พระเจ้าโศกก็คขาเรียกว่ามีพระอาจารย์เป็นพระอรหันต์เป็นพระอรหันรูปหนึ่งก็จำชื่อไม่ได้นะต้องขอพระโมกขลีติดสะหรืออะไรยังไงจำไม่ได้นะั้นต้องขอไปก็ไม่ <c oughs> ไม่ไม่ไม่ถือเป็นสาระสำคัญแต่ว่ายังไงก็ตามท่านเป็นพระอรหันต์แล้วก็ท่านก็เหมือนกับว่า ได้ชี้จุดจุดหนึ่งให้ให้ได้เห็นนะครับบอกว่ามีพระพุทธเจ้าอีกพระองค์หนึ่งอีกสองพระองค์ที่เหมือนกับว่าทางเนปาลประเทศเนปาลที่เป็นพื้นที่ที่เป็นวังกบิลพัทที่อยู่ทีพ่พุทธเจ้าอยู่เนี่ย mm hmm. เขาก็ภูมิใจว่าโอ้ประเทศก็มีพพุทธเจ้าทั้งสามพระองค์ mm hmm. ก็ปรากฏว่า จุดที่เราไปดูก็เป็นก็เรียกว่าเป็นศาลาเล็กๆนะเท่าศาลากลางน้ำเท่าศาลากลางน้ำที่เวลาเราข้ามน้ำไปเนี่ยเป็นศาลาที่ครอบสร้างครอบเสาโศรกเอาไว้ก็ถนนห น, นทางก็เป็นถนนเล็กๆไม่น่าสนใจอะไรเลยเนาะอย่างนั้นแต่ว่าตรงนั้นก็มีเสาโศกที่เป็นหลักหักหักปักอยู่ในดินแล้วก็ อีกท่อนหนึ่งก็นอนวางอยู่แต่ว่าที่สำคัญก็คือตรงนั้นเป็นที่ที่เหมือนกับว่ามีความพยายามที่จะบอกพวกเราคนรุ่นหลังมาตรงนี้มีพระเจ้าเนาะอีกพระองค์หนึ่งที่ท่านเกิดเกิดขึ้นที่ตรงนี้ละอะไรอย่างเงี้ยซึ่งนี่ก็เป็นสิ่งที่เหมือนกับเออนาะเราได้ดูเราพอเราไปได้ดูเราก็ได้เห็นนะว่าเห็นใน <c oughs> ความพยายามของคนเนาะ ที่พยายามที่จะเหมือนกับว่าทําเครื่องหมายไ้ให้คนรุ่นหลังเนี่ยได้เห็นว่าธรรมะเนี่ยที่ทําให้คนเป็นพุทธเจ้าเนี่ยไม่ใช่มีเฉพาะในเขาเรียกว่าในชาติ <c oughs> เนี่ยข อ, ขอเรียกใช้คําว่าชาติแล้วกันเนาะในชาตินี้ซึ่งจริงๆที่เรารู้กันเนี่ยเหมือนกับว่าในชาตินี้เนี่ยพุทธเจ้าก็มีห้าพระองค์เนาะพุทธเจ้า ของเราที่ที่สอนเนาะที่แล้วพวกเราสวดคําสวดกั น, นตานานาเมื่อกี้พระอานนที่เป็นเขเรียกว่าพระอุบาหะของพระพุทธเจ้าองค์นี้เนี่ยเียเป็นพระพุทธเจ้าองค์ที่4แล้วพระพุทธเจ้าองค์ที่5เนี่ยจะเป็นพระศรีอริยาเมตรัยซึ่งจะตามมาทีหลังอีกองค์หนึ่งแต่ว่าที่เราไปเจอเสาวอาโศกนั้นเป็นพระพุทธเจ้าอีกเนาะแยกออกไปอีกไม่ใช่ห้าพระองค์นี้ นี่แสดงว่าเหมือนกับว่าในโลกเราก็มีเขเรียกว่ามีพระเจ้ามีพระธรรมเนาะอยู่นานเท่าไหร่ก็ไม่รู้ล่ะแต่ว่ายัางไงก็ตามพระเจ้าทุกพระองค์เนาะก็เคารพพระธรรมแล้วก็พระธรรมของพระเจ้าทุกพระองค์ก็เหมือนกันนั่นคือตรงนี้ก็คือสิ่งที่เหมือนกับว่าคําสอนที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้เป็นคําสอนที่เขาเรียกว่า ทำให้เราไม่ทุกข์นะนั้นคือตรงเนี้ยก็ให้เราได้ชัดเจนพระเจ้าโศกก็เหมือนกันในสมัยที่พระเจ้าโศกเนี่ยเป็นกษัตริย์อยู่เนี่ยพระเจ้าโศกก็เหมือนกับว่าชีวิตเป็นกษัตริย์เนาะแบบว่ามีที่ดินมากที่สุดในโลกแ ล, ะละ้วล่ะเพราะว่าเหมือนกับเขาเขาก็เหมือนกันกบประวัติาสตร์เขาก็บอกพระเจ้าโศกก็ไปตีตรงนั้นได้ที่ดินไปตีตรงนี้ได้ที่ดินผู้คนที่ล้มหาย ตายจากไปจากการที่ไปลบราคาฟันก็เยอะแยะมากมายไปหมดแต่ว่าตรงนั้นก็หมายถึงว่าพระเจ้าโสกก็ทุกสุขก็ยังมีเนาะอย่างนั้นทุกสุขก็ยังมีอยู่ทําไมตรงนั้นเนี่ยพอเหมือนกับว่าพระเจ้าอโสกได้เจอเนาะพระอาจารย์ที่เป็นพระอาหารหันต์ตรงนี้เนี่ยปรากฏว่าสิ่งที่พระอาหารหันต์ท่านบอกก็คือความทุกข์ความสุขมันก็มีนะ แต่ความไม่ทุกข์มันก็มีเหมือนกันซึ่งตรงเนี้มันเป็นสิ่งที่พอพวกเราเหมือนกับว่าอยู่ในทางพุทธเนี่ยเราก็จะได้ยินคําว่าความไม่ทุกข์เพราะว่าเมื่อก่อนนี้เราก็เคยได้ยินแต่เพียงแต่ว่าความสุขความทุกข์ความสุขความทุกข์เราก็หนีความทุกข์ไปหาความสุขนะแล้วเดี๋ยวเราก็ทุกข์ใหม่แบบนี้กันเนั่นงจาคือตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เหมือนกับว่า พระเจ้าสอนเนาะสอนวิธีการที่จะทํำยังไงให้เราไม่ทุกข์เนี่ยตรงนี้แหละเป็นสิ่งที่เหมือนกับว่าการที่ไปดูเนาะไปดูสถานที่ต่างๆเนี่ยก็มันทําให้เราได้เห็นนะว่าเออนี่มันก็มีเขาเรียกว่าพระเจ้าอาโศกเนี่ยได้พบว่าเออเนี่ยสิ่งไม่ทุกข์ก็มีความเป็นพระมหาราชาของท่านหรืออลไรต่างนั่นนั่นแล้วนี้เนี่ยก็ ได้เหมือนกับว่ามันก็เป็นสิ่งที่ไม่สำคัญไม่สำคัญเพเราะเนื่องจากว่าไอ้ความไม่ทุกเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วก็ท่านก็เหมือนกับว่าพระอาจารย์ท่านก็ได้บอกเล่าเนาะเหมือนกับว่าปัญหาของพระเจ้าโศกตอนนั้นเนี่ยก็คือเหมือนกับมีพระจริงพระปลอมเยอะแยะไปหมดเลย <c oughs> ในในเมืองในเมืองในเมืองที่ท่านปกครองอยู่เนี่ย ปรากฏว่าทำยังไงถึงจะแยกพระจริงออกจากพระปลอมได้ปรากฏว่าคำสอนของพระเจ้าเนี่ยหัวใจสำคัญก็คือความไม่ทุกข์ตรงเนี้ยนั่นนั่นคือพระอาจารย์ก็บอกบอกว่าก็ให้เรียกพระทั้งหลายแหล่นีมาเนาะมาสอบถามเลยทีละคนทีละคนทีละคนนะว่าเหมือนกับว่าการที่เป็นพระอยู่เนี่ยได้เข้าใจไหมว่าพทธเจ้านะสอนอะไรไว้อย่างเงี้ยก็ไม่ หมายถึงว่าพระจริงก็ตอบได้นะพระธเจ้าสอนความไม่ทุกข์แต่ถ้าพระปลอมอาจจะจะอาศัยผ้าเหลืองเฉยมาอยู่มาหาความสุขมาอะไรต่างนานาเหล่านี้เนี่ยคำตอบตรงนี้ก็ไม่ได้นั่นนั่นคือพระเจ้าอาโศกก้องง่ายเลยนะที่จะแยกพระจริงออกจากพระปลอมนั่นนั้นคือตรงนี้พระเจ้าอาโศกก็มีความรู้สึกว่า<ม>อูนะนี่ตรงนี้เป็นสิ่งที่เป็นความสําคัญเป็นจุดเล็กๆจุดเดียวเนาะแต่ว่าเป็นจุดที่มีความสําคัญมากๆ นั่นนัคือตรงเนี้ยพระเจ้าโศกก็ได้เหมือนกับว่าได้เขาเรียกว่าช่วยปักหลักปักฐานเนาะของความเป็นศาสนาพุทธเนี่ยเอาไว้ในประเทศอินเดียแล้วก็ปักหลักปักฐานของความเป็นศาสนาพุทธเอาไว้ในโลกให้คนรุ่นหลังเนี่ยได้ตามมาสถานที่สําคัญต่างๆที่เราไปดูเนี่ยเราก็จะได้เห็นเหมือนกับว่าเป็นกองอิดเนาะกองอิดที่เหลืออยู่เนี่ย เป็นกองที่ใหญ่มากๆใหญ่กว่าก็เรียกว่าอาคารหลักนี้เนาะแต่ละกองแต่ละกองก็ใหญ่มากๆใหญ่อะใหญ่จนเราก็มั่นใจว่าผ่านไปพันสองพันปียังไงก็ตามเนี่ยมันก็ต่าต้องเหลือให้เราเห็นอยู่เห็นความพยายามของคนเนาะว่าโอนี่ได้พยายามที่จะเหมือนกับบ้าได้เหมือนกับบอกให้คนรุ่นหลังเนาะบอกมี คนสำคัญอยู่คนหนึ่งนะที่ทําเรื่องนี้บอกเรื่องนี้สอนเรื่องนี้อะไรเงี้ยเราไปตรงไหนๆ น, นะเราก็จะเห็นเราก็จะเห็นกองอิดกองปูนใหญ่ๆตรงเนี้ยเนาะที่แบบว่าเหลือให้เราเห็นอยู่เหลือให้เราเห็นอยู่เหลือให้เราเห็นอยู่ทํานองเดียวกันเราก็เห็นอีกภาพหนึ่งเหมือนกันว่าโอ้มันก็มีคนที่เหมือนกับอืหลงผิดเนาะทําลายเนาะ กองอิดกองปูนนี่เมื่อก่อนก็เคยสวยใครงามแล้วก็แต่ละที่แต่ละที่ก็จะมีพิพธภัณฑ์พิพธภัณฑ์ก็จะทําให้เหมือนกับว่าเราได้มองเห็นว่าก่อนหน้าที่จะถูกทําลายเนี่ยก็มีความพยายามนะของคนอีกจํานวนหนึ่งเนี่ยที่จะสร้างเสร็จขอสร้างขึ้นมาเพื่อเหมือนกับเพื่อบูชาเพื่อที่จะเคารพเพื่อที่จะระลึกถึงเพื่อที่จะเหมือนกับอะไรต่างๆนาน า, นาของคุณพระพุทธเจ้าเนี่ย ก็เรียกว่าผ่านฝีมือการก่อสร้างอืมเรียกว่าต้องเรียกว่ามันก็เป็นเรื่องยากมากๆเนาะอย่างจะทําพระพุทธรูปสักพระพุทธรูปสักองคหนึ่งเนาะก็เรียกว่าจากหินก้อนหนึ่งเนี่ยแล้วก็เครื่องมือที่ใช้ในการแกะสลักหินเนาะเรานึกถึงอาจจะมีสิวสักอันสองอันนะหรืออาจจะเป็นสักสิบอัน20อันหลายๆขนาดอย่างเงนะี้ยเนาะ แล้วก็มีคอนสักอันหนึ่งเนี่ยแต่ว่าการที่จะค่อยๆแกะหินออกมาจนกระทั่งกลายเป็นผิวเนี่ยเนียนเหมือนผิวคนอย่างเงี้ยเนาะอย่างนั้นแล้วก็รูปลักษณ์เนี่ยสวยงามมากๆเลยเนี่ยตรงเนี้ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเนาะแล้วมันไม่ใช่เรื่องที่วันสองวันเนี่ยจะเสร็จเนา ะ, ะที่สำคัญก็คือเรียกว่าอืมเขาเรียกว่าฝีมือที่ปรากฏบนนั้นมัน มันงดงามไม่มีทิฏฐิเลยเนี่ยไม่ใช่แค่ชิ้นเดียวนะเป็นพันเป็นหมื่นชิ้นที่ที่มีไม่รู้จะพันหมื่นก็นึกว่าน้อยเกินไปแล้วแต่ละรูปแต่ละรูปกนะ็สวยงามมากๆเราแม่แน่ใจว่าไม่ได้เห็นคนคนเดียวทําอะเราเห็นคนเป็นเหมือนกับเป็นหมื่ น, นๆแสนแสนคนแล้วก็ไม่ได้ทําแค่ปีเดียวเนาะทําต่อๆกันเป็นพันๆปันปันปันปันปีจนกระทั่ง ศา ส, สนาอิสลามเข้ามาจะมาเข้ามาในประเทศอินเดียแล้วก็อยากจะก็เรียกว่าอยากจะเป็นใหญ่พออยากจะเป็นใหญ่เนี่ยทายังไงล่ะสิ่งก่อสร้างที่เป็นสิ่งก่อสร้างของนังพุทธเนี่ยที่มันต่ำตำ ต, ำ ต, ำตาอยู่เนี่ยมันสวยสนกดงามซะเหลือเกินเสาเนี่ยนะที่เราเห็นอย่างเงี้ยเนาะเป็นเส า, าเนี่ยโอ้แะสลักนะ แกสลักด้วยเขาเรียกว่าด้วยฝีมือที่ละเอียดประณีตมากๆนะฮะจะเป็นดอกไม้ก็เหมือนดอกไม้เป็นชีวิตจริงจะเป็นคนก็จะเป็นคนเป็นม้าเป็นสิงสาราาสัตว์อะไ ร, รตา่างๆนานาแล้วนี่ก็สวยงามอมไม่รู้จะว่ายังไงดีนะฮะศาสนาอิสลามที่เป็นผู้คนก็อาจจะสงสัยว่าเอาถ้าพุทธเจ้าไม่ดีเนี่ยทําไมสิ่งก่อสร้างมาถึงได้อลังการขนาดนี้อะไรเงี้ยเนาะ ก็กษัตริย์ของอิสลามตอนนั้นก็อาจจะก็ทำไงล่ะจะตอบคนจะตอบคนที่นับถือศาสนาอิสลามยังไงจะตอบประชาชนยังไงดีตอบไม่ได้ก็เลยต้องสั่งนะคงต้องสั่งทหารบอกว่าทำลายทิ้งให้หมดเพราะนั้นนั่นคือเราก็ได้เห็นเหลือแต่กองอิฐของปูนใช่ไหมฮะเหลือแต่กองอิฐของปูนแต่ว่า ของอิดของปูนตรงนั้นความที่ใหญ่โตยังไงก็ไม่สามารถทำลายได้หมดเพราะนั้นนั่นคือสองพันกว่าปีเนาะที่ผ่านมาเนี่ยพวกเราก็ยังได้เห็นกันอยู่ตรงเนี้ยเหมือนกับการที่เราไปดูเนาะพอเราไปดูเราก็ได้เห็นเนี่ยตรงเนี้ยเป็นสิ่งสำคัญนะก็เรียกว่าเป็นสิ่งสำคัญของหัวใจของการปฏิบัติการปฏิบัติธรรมเนี่ย จะตามก็เรียกว่าตามสิ่งที่เราเรียกว่าอริยสัจสี่อริยสัจ4ี่เนี่ยทุกสมุทัยนี้โลภตรกเนี้ยเนาะใช่ไหมอย่างนั้นมันจำเป็นนะว่ามันต้องเห็นทุ ก, ก่อนอย่างเนี้ย น, นั่นคือตรงเนี้ยมันเป็นสิ่งที่สำคัญว่าจะเห็นอนะ่ะมันทำยังไงมันก็ต้องดูก่อนนะดูก่อนถึงจะเห็นใช่ไหมอย่างไง้คือถ้าไม่ดูก็ไม่เห็นแต่คืนี้ว่าพวกเรา เราเกิดมาเป็นคนเนาะมันก็เหมือนกับหมูหมากาไก่มันก็มีตาเหมือนกันอะไรเงี้ยตาเนี่ยมันก็มีเอาไว้ดูดูแล้วมันก็เห็นเหมือนกันแต่ว่าหมูหมากาไก่เนี่ยมันก็มีสัญชัดเานของมันเนาะมันก็อยากกินข้าวมันก็อยากนอนมันก็อยากนู่นอยากนี่อะไรเงี้ยการเห็นของมันเนี่ยมันก็เท่ากับว่าเป็นสัตว์เนาะก็เรียกว่าเป็นสัตว์โลกเป็นเพื่อนทุกข นี่ผู้เจ้าเองก็ได้ช่วยเรานะว่าการดูของเราเนี่ยแทนที่เราจะใช้ตาบนหมูมากกับไก่เนี่ยเขาก็มีตาสองตาเราก็มีตาสองตาช้างม้าบวกควายก็มีตาสองตาไม่มีใครมีมากกว่านั้นเนาะอย่างนั้นนั้นก็คือตรงเนี้ยมันก็เป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าตาเนี่ยมันใช้ไม่ได้ละมันต้องใช้ตาใหม่นะหลวงพ่อคำเขียนก็บอกว่ามีตาพิเศษอีกอันหนึ่งที่เราเรียกว่าตาสติก็ได้นะ หรือว่าเป็นความรู้สึกตัวที่หลวงพ่อเทียนบอกก็ดีตรงเนี้ยมันเป็นตาใหม่ที่เราจะเอาได้ดูซึ่งเราเอาไ้ดูอะไร mm hmm. ดูก็เรียกว่าดูกายของเราดูใจของเรานั่นนั่นคือตรงเนี้ยว่าการที่เราเริ่มปฏิบัติธรรมกันเนี้ยเนาะให้ดูกายที่เคลื่อนไหวเนาะให้ดูใจที่คิดนึกนะให้ดูกายที่เคลื่อนไหวนะเอาใจมันคอยรับรู้นะตรงเนี้ย การที่เราเนี่ยเหมือนกับว่าเริ่มเจริญสติเนาะผ่านการที่เราเริ่มดูดูกายเนาะดูกายที่เคลื่อนไหวเอาความเคลื่อนไหวเนี่ยมาเป็นนิมิตก่อนเนาะอย่างเนี้ยอย่างนั้นดูง่ายๆตรงนี้ก่อนในขณะที่เรากำลังสร้างความเคลื่อนไหวทางกายอยู่เนี่ยเราก็จะเห็นว่าเอ๊ะมันก็จะมีอีกส่วนหนึ่งเนาะก็เรียกว่าใจเนี่ยเดี๋ยวมันก็อยู่ตรง เขาเรียกว่ามาอยู่กับการเคลื่อนไหวของกายบ้างมาเอาใจใส่ความเคลื่อนไหวของกายบ้างเดี๋ยวมันก็จะไม่อยู่กับตรงนี้มันก็จะไปอยู่กับความคิดนึกบ้างตรงเนี้ยนี่ก็คือเขาเรียกว่าเป็นกรรมฐานที่ทําให้เราเนี่ยได้หัดที่จะดูพอดูเราก็จะเริ่มเห็นเนาะเห็นอ้อนี่มีกายที่เคลื่อนไหวเนาะเนาะแล้วก็อย่างหลวงพ่อเทียนเนี่ยก็ระบุออกไปบอกว่า ให้เราเนี่ยสร้างความเคลื่อนไหวขึ้นมานะเรียกว่ามีกายที่เคลื่อนไหวเนาะแล้วก็เอาใจเนี่ยมาคอยรับรูนะ้ให้สติเนี่ยเป็นผู้คอยดูเนาะคอยดูคอยดูกายคอยดูใจเนาะตรงเนี้ยคอยดูกายคอยดูใจปรากฏว่าตรงเนี้ยพอเราเริ่มดูเราก็จะเห็นโอ้นี่กายมันเคลื่อนไหวเนาะนี่ตรงนี้ใจเนาะมันก็อยู่ที่กายเคลื่อนไหวบ้างมันอยู่ที่ เขาเรียกว่าเดี๋ยวมันก็จะไหลไปอยู่ความคิดนึกบ้างตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าเหมือนกับเราไปดูเราก็จะเห็นถ้าเราไม่ดูเราก็ไม่เห็นนั่นนั้นคือตรงเนี้ยนะว่าฐานของเขาเรียกว่ากรรมฐานเนี่ยวิธีการที่เราทำกันตรงเนี้ยเาเรียกว่ามันเป็นฐานที่จะทำให้เราเนี่ยได้เห็นได้เข้าใจได้เห็นได้เข้าใจอะไรได้เห็นได้เข้าใ จ, าใจธรรมชาติที่พุทธาบอกว่า เป็นธรรมะเนาะอย่างเงี้ยธรรมชาติข้างนอกเนาะก็เป็นธรรมชาติที่เราเห็นเป็นต้นไม้เป็นสัตว์ต่างๆแต่ว่าพระพุทธเจ้าก็ระบุเนาะเหมือนกับว่ามีคำว่าธรรมะอีกอันหนึ่งก็คือเห็นธรรมเนาะที่อยู่ในกายเราที่อยู่ในใจเราพอเราดูบ่อยๆดูบ่อยๆเนี่ยเราก็จะเข้าใจ <c oughs> ตรงนี้เป็นสิ่งที่เขาเรียกว่า เป็นกรรมฐานก็เรียกว่าเป็นฐานของการกระทํานะหลวงพ่อเขียนหลวงพ่อเขียนจะบอกเราบอกว่านี่เป็นฐานของการกระทําการกระทําที่ผันผ่านมาก่อนที่เราจะมาหัดกรรมฐานกันตรงเนี้ยก็เรียกว่าเราทําไปตามสัญทัตยานแต่ว่าพอเวลาที่เราเหมือนกับว่าอาศัยกรรมฐานเนี่ยเราจะเห็นเนาะเราจะเห็นเหมือนอย่างเวลาที่เราไปอินเดียเนี่ยมันก็จะมีสิ่งที่เราเห็นเนาะหลายๆอย่าง เห็นจากอะไรจากการที่ถ้าเกิดว่าเราอยากดูเราอยากดูว่าไอ้คนอินเดียก็ทําอะไรกันอะไรอย่างเงี้ยเนาะนะความอยากตรงเนี้ยมันก็จะทําให้เราเนี่ยก็ส่งสายตาไปมองเดี๋ยวก็จะเห็นคนอินเดียนั่งอึไม่เป็นที่นะเดี๋ยวก็จะเห็นคนอินเดียฉี่ไม่เป็นที่เดี๋ยวก็จะเห็นคนอินเดียทำไอ้นู่นไอ้นี่นะลกแล้วเถอะวุ่นวายไปหมดอะไรอย่างเงี้ยเนาะอันนั้นความอยากมันก็จะทําให้เราเห็นแบบนั้น แต่นมเนินกันแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากที่จะไปตามรอยพระเจ้าเนี่ยเราก็เราก็จะไปดูตามสถานที่ต่างๆพราะดูเราก็จะเห็นเนาะก็เลยเห็นศรัทธาเนาะของผู้คนที่ทับถมกันอยู่เป็นหลายๆพันปีแบบเนี้ยนั้นนั่นคือตรงเนี้ยนะว่าให้เราได้สังเกตเนาะว่าการเห็นของเราเนี่ยเราเห็นเนาะตามความอยากเนาะถ้าเราเห็นตามความอยากเนี่ยเขาเรียกว่าตรงนั้นมันก็เราก็ไหลไปตามความหลง แต่ถ้าเกิดว่าเราเห็นเนะาะก็เรียกว่าอย่างที่เราตั้งใจเนาะที่จะเรียนรู้ธรรมะเนี่ยหรือเรียนรู้ธรรมชาติในกายเราในใจเราเนี่ยเราก็จะมองด้วยเ็าเรียกว่าอีกตาหนึ่งก็เป็นตาพิเศษที่เรียกว่าเป็นตาสติที่ทำให้เราเนี่ยต้องมานั่งยกมือสร้างจังหวะกันเพราะว่านี่คือเหมือนกับว่าเราเองเราก็มาหัดเนาะหัดที่จะคุ้นเคยกับการดูเรียกว่าการดูสิ่งที่ สมควรที่จะดูไม่ใช่มาดูไปตามความอยากถ้าหากว่าเราเนี่ยปล่อยให้ตัวเราเองเนี่ยดูไปตามความอยากเดี๋ยวนอกก็อยากดูไอ้นั่นเดี๋ยวเราก็อยากดูไอ้นี้แล้วก็จะไปเห็นสิ่งที่เขาเรียกว่ามันไม่เป็นสิ่งที่จะทําให้เรามีปัญญาแต่ถ้าเกิดว่าเราดูในสิ่งที่สมควรดูอย่างที่ผู้ได้จ้าแนะนําเนี่ยตรงเนี้ยเขาเรียกว่าเราจะเห็นความทุกข์เนาะพอเห็นความทุกข์เนี่ยเนาะมันจะทํำยังไงเนาะ หลวงพ่อเขียนก็จะบอกบอกว่าถ้าดูก็จะเห็นถ้าเห็นก็จะไม่เข้าไปเป็นเนาะถ้าไม่เข้าไปเป็นก็ไม่ทุกอย่างเนี้ยอย่างนั้นนั่นนั่นคือตรงเนี้ยนะมันเป็นลำดับเนาะของสิ่งที่เ็าเรียกว่าถ้าหากว่าเราทำตามนี้เนี่ยความไม่ทุกข์ก็จะปรากฏกับเราปรากฏกับเราจากผ่านการดูเนี่ยดูในสิ่งที่สมควรดูก็คื อ, คอดูดูกายเราดูใจเรา ถดูกายเราดูใจเราเราก็จะเห็นว่าทุกข์มันอยู่ตรงไหนนะหลวงพอ่อเขียนพูดง่ายมากๆเลยเนาะบอกว่าถ้าดูก็จะเห็นเห็นก็ไม่เข้าไปเป็นถ้ารู้รู้ว่าทุกข์อยู่ตรงไหนเนี่ยเราจะเข้าไปตรงนั้นไหมเนาะไม่เข้าแน่นอนเพราะว่าเราไม่อยากทุกข์กันนะใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนั่นคือเราจะไม่ทุกข์ด้วยได้ด้วยอะไรด้วยการเห็นเนาะเห็นว่าทุกข์อยู่ตรงไหนเห็นจากการอะไรเห็นจากการดูดูจากอะไร ดูจากสิ่งที่เราสมควรที่จะดูนั่นนั่นคือตรงนี้นะว่าการยกมือสร้างจังหวะก็ดีตรงนี้ก็ให้เราได้เหมือนกับว่าได้ทําตามครูบาอาจารย์ที่แนะนําการเดินของเราก็จะกลายเป็นการเขาเรียกว่าการเดินจงกรมนะก็จะกลายเป็นการเดินที่ทําให้เราเนี่ยได้เห็นธรรมชาติของกายเราได้เห็นธรรมชาติของใจเรานั่นคือตรงนี้นนะว่าการดูกันเห็นเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่สําคัญของชีวิตเรา จะเป็นการที่เป็นเบื้องต้นที่จะพาให้ก็เรียกว่าพวกเราเนี่ยไปสู่ความไม่ทุกข์กันทุกคนเลยก็ขอให้พวกเราเนี่ยได้อยู่ในร่มเงาของก็เรียกว่าร่มเงาของธรรมะนะได้อยู่ในร่มเงาของสุขโตได้อยู่ในร่มเงาของคําสอนของครูบาอาจารย์จะเป็นหลวงพ่อเทียนก็ดีหลวงพ่อกําเขียนก็ดีจะเป็นครูบาอาจารย์จะเป็นพระอาจโนตก็ดี ปรารย์สุลินก็ดีอะไรต่างๆนาน า, นานเหล่านี้เนี่ยก็ขอให้พวกเราเนี่ยได้อาศัยการดูการเห็นตรงนี้เพื่อที่ใช้พวกเราเนี่ยไปถึงความไม่ถุด้วยกันทุกคนพวกเราก็กลับมาพร้อมกัน